ชาวได้ฟังบทสัมภาษณ์ของน้องวิวอดีตนักกีฬาเทควันโดนะทีมชาตินะซึ่งหลายคนก็คงเคยดินชื่อนะเพราะว่าเธอเคยได้เหรียญทองหรือทองแดงนี่แหละเทควันโดของโอลิมปิก มาให้กับประเทศไทยเป็นเหรียญแรกเธอเล่าถึงประสบการณ์การซ้อมโค้ชของเธอเนี่ยคือโค้ชเชเป็นชาวเกาหลีการซ้อมเธอนี่หนักมากหนักดีในที่นี่ไม่ได้หมายถึงว่าซ้อมวันละหลายชั่วโมงอย่างเดียวนะ แต่ว่ายังถูกกระนำจากโค้ดด้วยโดยพอเวลาทำผิดพลาดหรือว่าทำอะไรหยอดแย่โค้ดก็ลงโทษด้วยการลงมือลงไม้เลยบางทีก็ให้เธอนี่มาซ้อมมาเตะเทควันโดกับโค้ดนะโค้ก็เตะแล้วเตะอีกไม่ยั้งเลย บางวันก็เลือดกลบปากเลยเธบอกว่าเนี่ยไม่มีวันไหนที่ไม่ร้องไหนะ้นร้องไห้ทุกวันเพราะฝีมือโคตรคนนี้แต่ว่ามันก็ทำให้เธอนีแกร่งเพียงช่วยเวลาไม่กี่เดือนฝีมือก็พัฒนาแล้วก็กำลังใจก็เข้มแข็งจนกระทั่งสามารถที่จะ นำเหรียนมาให้กับประเทศไทยได้ที่ให้สัมภาษณ์เช่นนี้ก็เพราะว่าตอนนี้มีข่าวว่านักกีฬาทีมชาติคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเหมือนกันออกข่าวว่าถูกโค้ชเชนะลงไม้ลงมือลงทั้งต่อยด้วยแล้วก็เธอก็เลยบอกว่าจะลาออกจากทีมชาติแล้วก็ จะเรียกร้องให้โคชเชนี่มาขอโทษก็เลยเป็นข่าวใหญ่โตนะเอาประเด็นที่เอามาพูดเอาเรื่องนี้มาพูดเนี่ยไม่ได้พูดว่าสิ่งที่โคชทำนี่มันถูกหรือผิดควรหรือไม่ควรแต่ต้องการชี่เห็นว่าการบีบคั้นและการถูกบีบคั้น ถูกกระนำหรือว่าถูกกดดันมากๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะบีบคั้นเอาความสามารถของคนเราออกมาหรือว่าสามารถทำให้แรง่งทำให้กล้าทำให้แข็งแรงนะจนกระทั่งสามารถจะทำในสิ่งที่ตัวเองไม่คิดว่าจะทำได้คนเราถ้าหากว่าอยู่สบาย ให้ความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นน้อยต้องมีแรงกดดันทนะีจริงๆอันนี้พระพุทธเจ้าก็ก็ตรัสเองนะตัสกับพระอานนท์ว่าเราจะไม่ทํากับพวกเธออย่างเทนุทนนมเหมือนช่างหม้อทํากับหม้อเทียงเปียกยังเด็บอยู่เราจะขนาบแล้วขนาบอีกแต่ขนาบของพระพุทธเจ้านี่ไม่ได้หมายถึง ขนาบด้วยกำลังแต่ว่าท่านจะตำหนิท่านจะติดเตียนนะเรียกว่าเป็นการชี้ช่องเพื่อให้กิเลสมันมันกลัวที่จริงวินยัยหรือศีขาบเบของพระแล้วก็เป็นวิธีการหนึ่งนะที่ใช้ในการที่จะสร้างที่จะขนาบแล้วขนาบอีก เพราะว่าการที่ปฏิบัติตามวินัยหรือศีลคาบของพระนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ใ, ใครที่ไม่มีแก่นสารก็อยู่ยากในสาพุทธการก็มีหลายคนนะมาบวชพระเพราะเห็นว่าสบายนะมีกินทุกมือ้อแต่ว่าในสุดก็ต้องลาศิกษาหรือว่าสึกออกไปนะเพราะว่า เหตุผลก็คือมันลำบากวินัยมีวินัยเป็นเครื่องอควบคุมสำหรับคนเหล่านี้เนี่ยวินัยมันกลายเป็นเครื่องควบคุมจำกัดหรือว่าเป็นภาระทำให้ทำตามกิเลสได้ไม่สะดวกก็ต้องออกไปศึกษาหลาภเพศไปเรื่อง เรื่องของนักกีฬาเตกควันโดนี่มันก็ให้ข้อคิดนะกับพวกเราได้นะถ้าจะมองนะไม่ได้ข้อคิดแต่เพียงว่าการที่เจอความทุกขนะ์บีบคั้นกระหน่ำเนี่ยมันก็สามารถที่จะช่วยให้เราพัฒนาตนพัฒนาฝีมือพัฒนาศักยภาพหรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่อาจจะนึกไม่ถึงว่าจะทำได้เท่านั้น แต่มันยังชวนให้คิดได้ว่าอคนเหล่านี้นี่เขายอมนะยอมที่จะถูกกระหน่ำยอมที่จะถูกอ่าลงไม้ลงมือทั้งเตะทั้งทีทั้งต่อยหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งนี้ก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแต่ว่าเขาก็ยอมทนยอมทนเพื่ออะไรนะเพราะเขาเชื่อมั่นว่า ทำอย่างนี้แล้วเนี่ยในทำให้เขาได้รับชัยชนะในที่สุดชัยชนะของเขาคืออะไรก็คือเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงก็แล้วแต่จะเป็นเอเชียนเกมจะเป็นโอลิมปิกนะเขายอมยอมเพื่อชื่อเสียงยอมเพื่อความสำเร็จแต่ถ้าเราพิจารณาดูดีๆเหรียญทองก็ดีเหรียญเงินก็ดีพวกหล่นี้เนี่ย ได้มาก็จริงก็ไม่ได้ทำให้เราพ้นทุกข์แต่อย่างใดนะจะได้มากี่เหรียญก็ยังทุกข์เหมือนเดิมนะอาจจะทุกข์มากกว่าเดิมก็ได้เพราะว่าไอตอนที่ได้เหรียญคนก็ชื่มชนสรรเสริญไปไหนคนก็ขอลายเซ็นขอถ่ายรูปนะมีเกติยศนะประดังประเดยเข้ามาแต่พอออกจากออกจากวงการไปหรือว่าไม่ได้เหรียญ ผ่านไปสักห้าปี10ปีคนก็ลืมจําไม่ได้ใครหลายคนก็จมไม่ลงจมไม่ลงก็ทุกข์มันนะว่าทนะําทไมฉันไม่ได้รับความสนใจล่ะบางคนทําใจไม่ได้ก็หันไปหาไปหาเหล้าไปหายาเสพติดหรือว่าไปหายาระงับประสาทนะเป็นกันกันหมดนะทั้งผู้หญิงผู้ชายที่ได้ความสําเร็จมาตั้งแต่ตอนยังหนุ่ยยังสาว อายุไม่ถึงยี่สิบเนี่ยอันนี้เรียกว่านอกจากไอ้เรียนทองหรือว่าความสาเร็จนี่มันจะไม่ช่วยให้พ้นทุกข์แนี้อาจจะทำให้ทุกข์มากกว่าเดิมก็ได้เพราะว่าจมไม่ลงนะกลับมาเป็นสามัญชนไม่ได้เพราะว่ามันยังอาไรในลาบยศสรรเสริญหรือว่าสุขนะที่เคยได้แต่สิ่งที่เราทำเนี่ยนะ สิ่งที่เราทาสิ่งที่เราภาคเพียรปฏิบัติเนี่ยนะมันมีความหมายกว่ามากกว่ามีความหมายาเยอะกว่ามากทีเดียวนะเพราะว่าสิ่งที่เราทำก็คือมุ่งพัฒนาจิตใจนะเพื่อการพ้นทุกขนะ์ไม่ใช่พ้นทุกข์คนเดียวแต่ว่ายังจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยนะและสิ่งเหล่านี้นี่นะอ่ ถ้าหากว่าเข้าถึงแล้วนะมันก็อยู่ยั่งยืนไปนะจนกว่าชีวิตจะหาไหมมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความสําเร็จชัวครั้งชั่วคราวแต่ว่านักปฏิบัติจํานวนไม่น้อยนะก็ไม่มีความสามารถที่จะทนความยากลําบากได้ที่จริงความยากลำบากพวกเรานี่มันน้อยกว่าที่พวกนักกีฬาเทควันโดนะ้ทีมชาติไทยเจอไม่รู้กี่เท่านะ ถ้าฟังจากที่เขาเล่านี่มันหนักมากทีเดียวทั้งชั่วโมงฝึกซ้อมนี่ก็อาจจะมากกว่าชั่วโมงปฏิบัติของเราแล้วก็แรงบีบคันกระหน่าทั้งทางกายทางใจของเราอาจจะแค่ว่ า, าแดดร้อนยุงกัดนะอาหารอาจจะไม่พอบ้างไม่อร่อยบ้างมันก็เท่านั้นแหละนะแต่ว่าไม่ได้ หนักหนาสาหัสอย่างพวกเขาถึงขนาดเลือดเลือดกรบปากเลยนะแต่เขาก็ทนเขาก็สู้นะเพื่อเพื่อความสาเร็จนะซึ่งมันก็เป็นความสาเร็จชั่วครั้งช่วคราวความสำเร็จแบบโลโลกในพวกเรานี่เราถือว่าสิ่งที่เรามุ่งเนี่ยมันเป็นความสาเร็จที่สูงกว่าถ้าพูดในทางมองจากมุ่งของชาวพุทธเป็นสิ่งที่สูงกว่าถ้าเป็นประโยชน์ก็เลยเป็นปรมัดถั ประโยชน์ขั้นสูงสุดนะสิ่งที่เขาทําสิ่งที่ก็สแสวงหาผู้นักกีฬาเหล่านี้ก็เป็นแค่ประโยชน์เบื้องต้นทิถาธรรมิกถังแต่ว่าเขาก็พร้อมที่จะพร้อมที่จะแลกนะด้วยความยากลําบากแต่ว่านักปฏิบททัติธรรมแม้ว่าจํานวนมากแม้ว่าจะรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองภาพเพียนพยานยานั้นมันสูงเป็นสิ่งที่พระเจ้าสรรเสริญ เป็นสิ่งที่พระอรหันต์ท่านาสรรเสริญแต่ว่าไม่สามารถที่จ ะ, ะเผชิญกับความทุกข์ความกดดันอย่างนั้นได้นะอย่างนี้ก็มันก็ยากที่จะประสบความสําเร็จได้บางทีเราก็ต้องเอาคนเหล่านี้เป็นแบบอย่างนะว่าโขนาดเขามุ่งในสิ่งที่มันเป็นความสรุรชโชคล้างโชคลาภเขาก็ยังอดทนขนาดนี้ ถึงกับยอมเอาชีวิตเข้าแรกเลยก็ว่าได้และนักปฏิบัติทำอย่างเราฉะนั้นทำไมเราจะผ่ า, ายแพ้อดทนน้อยกว่าเขาฉะนั้นต้องพร้อมนะต้องต้องถือว่าไอ้ความทุกข์ที่มากกว่านี้เราก็พร้อมที่จะเผชิญซึ่งส่วนนึ่งก็ต้องเกิดจากศรัทธาด้วยว่าไอ้ความทกามุกข์ความบีบคั้นนี่มาสามารถที่จะทําให้เรากล้าทําให้เราแกร่ง เหมือนกับเหล็กนะที่มันโดนไฟแล้วเนี่ยมันถึงจะ <c oughs> มันถึงจะเป็นเหล็กกล้าได้ยิ่งไฟแรงมากเท่าไหร่ก็เป็นเหล็กกล้าที่เนื้อดีมากเท่านั้นที่ความเปลี่ยนแปลงของคนเราเนี่ยมันต้องอาศัยต้องอาศัยแรงกดดันนะหรือว่าความทุกข์ก็เหมือนกับข้าวเนี่ย ถ้าข้าวมันยังไม่เอาไปต้มยังไม่เจอความร้อนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ข้าวสุกก็ยังกินไม่ได้เป็นข้าวดิบผลไ ม, ม้ทำไมไม่เจอแดดมันไม่สุกมันก็ยังดิบอยู่แตงทําไมเจอความร้อนมันก็ยังกินไม่ได้ยังเป็นขนมไม่ได้จะเป็นขนมที่อร่อยหวานก็เพราะเจอความรอ้อนแความร้อนนี่มันสามารถจะเปลี่ยนเปลี่ยนสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น มีประโยชน์มากขึ้นมันก็เช่นเดียวกันนะความร้อนก็คืออุปสรรคคือความยากลาบากซึ่งมันจะช่วยทําให้คุณภาพภายในของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นต้องมีศรัทธานะต้องมีศรัทธาว่าไอ้ความยากลาบากเนี่ยมันจะช่วยเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราได้อย่างที่ อ่าอย่างที่ก็มีคําพูดซึ่งอาจารย์พัฒนาชัยก็พูดวันก่อนนะว่ามารบอมีบรมีบอกเกิดเนี่ยไอ้มารในที่นี้ก็คื อ, อปัสสังนั่นแหละเลยเพราะไอ้ตัวขันธมารกิเลสมารมาจุมารพวกนี้ไม่ต้องพูดถึงเทวพุทตมารเนี่ยพวกนี้เป็นอุปสรรคที่สามารถทําให้เรากล้าทําให้เราแกร่งทํ า, ท ใ, ห า, าทให้เราเกิดปัญญาขึ้นได้เนถ้าเรา กลัวความยากลาบากกลัวประสัทเจอนี่นั่นเจอนั่นนิดนี่หน่อยก็ไม่ไหวยอมแพ้แล้วนะบางทีก็น่าอายนะนึกถ้าไปนึกถึงนักกีฬาเทควันโดเหล่านี้แล้วบางทีก็น้าอายโดยเพราะาท่านที่เป็นพระแล้ ว, ลวก็เจอความยากลาบากนะที่นี่ซึ่งมันไม่ถึงหนึ่งในสิบของที่พวกเขาเจอแล้วก็ท้อถอยนะไม่สู้แล้ว อันนี้ก็เรียกว่าน่าละอายมากวันนันนน้นนอนในแง่หนึ่งในถึงแม้ว่าชีวิตที่นี่นะั้นมันก็จะไม่ได้สบายมันก็ที่บ้านแต่ว่ากอสบายกว่าที่พวกนักกีฬาทั้งหลายก็ต้องก็ต้องเจอเราสบายกว่าแล้วก็สิ่งที่เราทํานั้นเนี่ยมันมีคุณค่ามีรักมันมีความหมายมากกว่าเพราะว่ามันสามารถจะติดตัวไปเพื่อแก้ทุกข์นะ แล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้อื่นได้ด้วยวันนั้นก็อย่าไปย่อท้ออย่าท้อถอยอุปสรรคนะบางทีอุปสรรคของเรามันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าความเบื่อความง่วงนะเป็นความเบื่อความง่วงความเซ็งนั่นเองไม่ได้เจ็บตัวอะไรเลยนะไอ้ความเบื่อความง่วงความเซ็งนี่จะว่าไปแล้วเป็นอุปสรรคเล็กน้อยมากในชีวิตเราต้องเจออุปสรรคที่ยิ่งใหญ่กว่านี้เยอะนะ เช่นความสูญเสียความเศร้าโศกความรู้สึกผิดความเจ็บความปวดความทุกข์ทรมานไอ้สิ่งเหล่านี้มันรอเราข้างหน้ารอเราอยู่ข้างหน้าอย่างที่บทสวดมนต์ตามวัดเช้าพูดไว้เนี่ยเราทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วที่จริงมันไม่ใช่เบื้องหน้าอย่างเดียวมันมันอยู่มันติดตัวเราตลอดเวลาเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้ว เราทุกมันอย่างอยู่กับกายกับใจเราตลอดเวลานะเแต่ว่ามันจะไม่แสดงตัวออกมามันก็รอเวลารอโอกาสและความทุ่มก็ที่มันจะรอและเราต้องเจอในวันข้างหน้าเนี่ยที่ใหญ่ใหญ่หนักหนาสาหัสมีเยอะนะอย่างที่บอกนะความเศร้าโศกเสียใจเพราะสูญเสียคนรักหรือว่าความทุกข์เพราะว่าเป็นโรคร้ายเป็นมะเร็ง ามาพึกอํามาพลาดนะหรือว่าต้องสูญเสียทรัพย์สมบัตินะหมดเนื้อหมดตัวเป็นหนี้เป็นสินไอ้สิ่งนั้นเนี่ยมันอาจจะรอเราอยู่ข้างหน้าก็ได้บางอย่างก็อาจจะรอแต่บางอย่างรออยู่แน่ๆต้องเจอแน่นอนแล้วมันก็หนักหนากว่าความทุกข์ที่รเราเผชิญในเวลานี้ที่วัดนี้เสอีกไนะม่ว่าจะเป็นความเบือ่อความเซงความง่วงนะ ถ้าว่าแค่นี้ยังไม่ผ่านนะยังผ่านไม่ได้นะเราจะไปไปรับมือกับไอ้ความทุกข์หนักหนักหนักนาสาหัสวันข้างหน้าได้อย่างไรอมองแบบนี้บ้างนะมันจะได้ทําให้เรารู้สึกว่าเรายังโชคดีนะที่เจอแค่นี้แค่ความเบือ่อความง่วงความเซ็งนะจริงๆเวลาเราทํางานเราเจอหนักกว่านี้ เจอความเครียดนะเจอความกดดันนะบางทีเครียดจนนอนไม่หลับเครียดเพราะงานการนะไอ้ความเครียดเนี่ยมันก็เป็นทุกข์นะที่นับวันเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับการปฏิบัติธรรมของเราไมให้ถือว่าสิ่งที่เราเจอนี่มันเป็นเรื่องจิ๊บจ่อยมากนะไม่ควรที่เราจะย่อท้อ ทีจ่จิตการปฏิบัตินะที่นี่เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ประหลาดพิสดารเลยนะมันก็คือการเอาสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมาพัฒนาให้มากขึ้นเช่นอะไรเช่นสตินะสตินี่เราก็มีกันทุกคนอยู่แล้วนะสติไม่ใช่เป็นของใหม่นะเราไม่ได้มามามาสร้างสติหรือมามอบหรือมาทำให้สติมันเกิดมีขึ้น มันมีอยู่แล้วนะเพียงแต่เราพัฒนามันแค่นั้นเองและทุกวันนี้เราก็ใช้สตินะเรียกว่าอยู่ตลอดเวลาสติที่ว่านี่คืออะไรนะสติทีว่าคือความะระลึกได้เราใช้ความะระลึกได้เนี่ยอยู่ตลอดเวลาพอบรรยายเสร็จนะเราลงจากศาลาเนี่ยเราก็ใช้ความะระลึกได้ว่ากุฏิเนี่ยอยู่ที่ไหน เดินทางไหนไปใช้สนนเส้นไหนเราจำได้ว่ากุฏิของเราเบอร์อะไรไปทางไหนจำได้แต่ก่อนถึงตรงนั้นก็จำได้ด้วยซ้ำว่าเราวางรองเท้าไว้ตรงไหนไว้ในชั้นไหนเราจำได้นะว่าพรุ่งนี้ทําวัดกี่โมงเราจำได้ว่าเมื่อเข้าไปในห้องแล้วนะเรา วางยาสีฟันแปรงสีฟันไว้ที่ไหนเครื่องนอนไว้ตรงไหนเราใช้สติในชีวิตประจาวันตลอดเวลานะแต่ว่าสติที่เรายังเอามาใช้น้อยนะก็คือสติในการระลึกได้เรื่องกายเรื่องใจสติที่พูดถึงเนี่ยมันเป็นสตินะระลึกได้ในเรื่องที่เป็นของนอกตัว รองเท้ากุฏิยาสีฟันนะเครื่องนอนแต่สิ่งที่มีกันน้อยนะแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็คือสติที่จะช่วยให้ไม่ลืมกายไม่ลืมใจหลายคนอาจจะจำจาได้ดีนะในเรื่องนอกตัวจําเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนได้ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีใครจากันและนะเพราะว่าโทรศัพท์มัน ม, มันจําไม่หมด จำวันเกิดเพื่อนได้จำที่อยู่นะถนนอะไรตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรจำได้เนะยอะแยะไปหมดแต่ว่าลืมกายลืมใจยอยู่เป็นประจำนะเวลาสวดมนต์ก็บางทีก็ลืมตัวว่ากำลังสวดมนต์อยู่กินข้าวก็ลืมว่ากำลังกินข้าว หรือว่าเวลาเดินจงกรมสร้างจังหวะบ่อยครั้งนะก็ลืมกายคือไม่รู้สึกเลยนะว่ากําลังเดินไม่รู้สึกเลยนะว่ากาลังยกมือทตอนาที่ก็ยกมืออยู่นะเดินอยู่นะแต่ว่ามันไม่รู้สึกนะเพอะใจแต่ น, นั้นลอยไปอันนี้เรียกว่าลืมกายนะแล้วก็ลืมใจคือปล่อยให้ ใ, ใจเนี่ยมันจมหายเข้าไปในอดีตบ้างอนาคตบ้างจมหายเข้าไปในอารมณ์บ้างนะหะหัวฟาดหัวเหวี่ยงไปกับ เรื่องราวในอดีตเดินจงกรมไปก็โมโหไปไม่ได้โมโหใครที่อยู่ข้างหน้านะแต่โมโหเพื่อนโมโหคนรักนะทีะ่ไม่ซื่อกับเราหรือว่ากลั่นแกล้งเราโกงเงินเราไปถ้าจมหายเข้าไปในความคิดนะั่นก็เรียกว่าลืมใจนะถ้าลืมถ้าไม่ลืมใจนี่ก็จะรู้เลยนะอ๋อนี่ความโกรธความโมโห หรือว่าความคิดนี่มันเอาเรามันกินเราเข้าไปแล้วถ้าเราลึกได้เนี่ยนะถ้าการจริศสติมันช่วยทให้เราลึกเราลึกได้ลึกได้เร็วนะใจลอยทีแรกก็ลอยไปเรื่องโน้เรื่องนี้เป็น10เรื่องกว่าจะลึกได้ว่ากาลังเดินจงกลมอยู่กาลังสร้างจังหวะอยู่หรือกาลังกินข้าวอยู่นะ นี่คือสภาพตอนที่มาใหม่ๆแต่พอปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันระลึกได้เร็วขึ้นนะคิดได้4ีหเรื่องก็ระลึกได้แล้วว่ากำลังเดินจงกรมอยู่กำลังสร้างจังหวะอยู่กำลังกินอาหารอยู่หรือว่ากำลังนั่งฟังเทศอยู่คิดไป3 4มสเรื่องก็ระลึกได้นะว่ากาลังสวดมนต์อยู่ เราจะลึกได้ไวขึ้นไวขึ้นเมื่อเราเจริญสติได้ถูกวิธีนะแล้วสิ่งที่เราลึกได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องนอกตัวแล้วคือเรื่องกายเรื่องใจนั่นเองอันนี้คือคือความสามารถของสตินะที่เราต้องต้องพัฒนาให้มีขึ้นแม้กระทั่งคนที่จำเก่งจำเก่งจาสารพัดนะ แต่ว่าไอ้เรื่องลืมกายลืมใจนี่ก็เร็วเหมือนกันลืมเร็วมากลืมทั้งกายลืมทั้งใจแต่พอเราจเจริญสติเนี่ยเราจะไม่ลืมกายไม่ลืมใจเราจะรู้กายระลึกรู้กายใจได้เร็วซึ่งมาช่วยทําให้เราสลัดความทุกข์ออกไปสลัดความวิตกกังวลออกไปทำให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันวางอดีวางงานหนาข้อก็มาอยู่กับปัจจุบันเมื่อกลับมาอยู่กับปัจจุบันก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้น นะสตินะกับความรู้สึกตัวนี่ที่จริงถ้าจะพูดให้มันพูดในทางปริยัติแล้วคนละตัวกันนะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวนะความรู้ตัวหรือความรู้สึกตัวเนะนี่ยเป็นเป็นงานของสัมปชัญญะแต่มันก็ใกล้กันมากนะจนกระทั่งเราเรียกแทนกันได้สติหรือความรู้ตัวแต่ว่ามันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเพราะว่าเมื่อเราเระลึกได้ นะเราเลิกได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ไอ้ใจที่มันลอยไปโน่นไปนี่นก็กลับมากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวพอกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นนะจะทําอะไรก็ทําถูกเวลาสวดมนต์นโนมโอสมจบนะพอถึงจบที่สามนี้ก็รู้แล้วว่าต้องแปลนะแต่ว่าถ้าเกิดเราลืมตัวไปนะมันก็ทําเป็นอัตโนมัติพอพอมาถึงจบที่สามก็ไม่แปลก็ยังสวดเหมือนเดิม เหมือนกับจบที่1จบที่2 อ, อันนี้เรียกว่าเพราะความไม่รู้ตัวก็เลยทําอะไรผิดพลาดแต่พอรู้ตัวแล้วเนี่ยมันก็ทําอะไรถูกต้องถูกจังหวะถูกเวลาถูกกรณีความรู้สึกตัวเนี่ยกับความระลึกได้นี่ก็เกี่ยวข้องกันมากนะสัมพันธ์กันอั้นถ้าเกิดว่าเราเราเจริญสติมากๆเนี่ยนะไม่ทําให้เราเราลึกรู้ได้ไวแล้วก็มีความรู้สึกตัวได้ต่อเนื่อง แล้วก็ตามเนี่ยก็ต้องเข้าใจนะว่าไอ้ความระลึกได้ที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องเจตนานะมันมันเกิดขึ้นเองนะจะพูดอย่างนี้ก็ว่าจะคือมันเกิดขึ้นเองมันไม่เหมือนกับการระลึกได้เรื่องอื่นเช่นถ้าถามว่าเมื่อเช้าอาตมาพูดว่าอะไรนะตอนก่อนฉันเนี่ยหรือว่าเมื่อวานตอนเช้าเนี่ย พูดถึงเรื่องธรรมที่ทําให้อายุยืนเนี่ยจาได้ไหมว่ามีกี่ข้ออันนี้เราต้องนั่งคิดละต้องนั่งคิดต้องย้อนระ ล, ลึกถางไปถึงเมื่อวานแล้วก็ระลึกจําให้ได้ว่าห้าข้อนั้นคืออะไรหรือเมื่อเช้าเนี่ยนะที่พูดแค่สข้อเองเนี่ยมันคืออะไรก็ต้องพยายามนะเจตนาตั้งใจเพื่อที่จะดึงความจําออกมาแต่ว่าความระลึกได้นะ ที่เราฝึกนี่นะมันเป็นความเลื่อนที่ไม่ได้เกิดจากเจตนามันมาเองมันมาเองนะแต่ว่ามันเราสามารถจะฝึกให้มันมาได้ไวขึ้นไวขึ้นได้อัจากการปฏิบัติที่ทำอยู่นี่แหละจะทำให้มันมาได้เองนะไอ้ความรลืลึกได้โดยที่โดยที่ไม่ได้เจตนานี่นะเขาก็มีคำเรียงนะอสังคาริ ก, กังนะคือว่ามันไม่ได้เจตนาแต่มันมาเอง ซึ่งที่จริงเราก็เจออยู่บ่อยๆในความระลึกได้อย่างนี้ใช่หรอจะคุยกับเพื่อนจนจนเพลินแล้วก็นึกได้ว่าอออได้เวลาทำวัดแล้วนะให้ความระลึกได้ว่าตอนนี้ได้เวลาทำวัดแล้วเนี่ยมันออกมาเองนะหรือว่าดูโทรทัศน์อยู่พักใหญ่นะก็นึกขึ้นมาได้ว่า น, นัดเพื่อนเอาไว้นะจะไปจะไปหาเพื่อน นัดเจอกันที่ศูนย์การค้ามันนึกขึ้นมาได้เองถามว่ามันนึกขึ้นมาได้งไงไม่รู้นะแต่มันออกมาเองถ้าถ้าเกิดว่ามันออกมาก่อนเวลาก็โชคดีไปแต่ถ้ามันนึกได้หลังจากที่เลยเวลานัดไปเป็นชั่วโมงอันนี้ก็อาสวยไปบางทีเราตั้งน้าเอาไว้ตั้งน้ำร้อนเอาไว้แล้วเราก็ทำโน่นทำนี่เป็นชั่วโมง นึกขึ้นมาได้ว่าออดตั้งนมามเอาไว้รีบกลับไปดูบางทีเปิดแก๊สทิ้งไว้แล้วก็ลืมปิดผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงก็นึกขึ้นมาได้ว่าเราเปิดแก๊สค้างขาววัก็ไปดูอันนี้มันเรียกว่าเป็นความระลึกได้เองไม่ได้เจตนาไม่มือไม่เหมือนกการเจตนาที่ระลึกได้ว่าเมื่อเช้าเนี่ยตมาพูดอะไรจะเมื่อวานตอนเช้าตมาเทศว่าอะไระการปฏิบัติเนี่ยนะมันนั่นการเจริญสติเองที่ว่าเนี่ยนะ มันไม่ใช่ต้องอาศัยความความความตั้งใจนะแต่ว่ามันเป็นมันเป็นธรรมดาว่ามันฝึกไดนะ้ถ้าเราปฏิบัติแบบนี้บ่อยๆนะีปฏิบัติแบบเป็นธรรมชาติคือว่าปฏิบัติปฏิ บ, บัติสบายๆยกมือก็ทําใจสบายๆอย่าไปจ้องอย่าไปดักดูความคิดนะมันก็จ ะ, ะมันก็จะให้ความรู้สึกได้ทว่าเนี่ยมันก็จะค่อยๆมาเอง แต่เราต้องอดทนนะเพราะว่าใหม่ๆเนี่ยกว่ามันจะระลึกได้เองเนี่ยมันมันช้านึกไปได้เจดฟุ้งไปได้เจดแต่เรื่องเราถึงค่อยนึกได้ว่ากำลังยกมือกำลังสร้างจังหวะบางคนเนี่ยทนไม่ได้นะอยากจะให้มันระลึกได้เร็วก็จะก็ใช้วิธีการไปจ้องดูดักความคิดนะซึ่งทำอย่างนี้เนี่ยนะมันก็จะเครียดในเวลาไม่นาน แล้วก็มันจะบีบคั้นทำให้ใหความสามารถของใจในการที่จะลึกได้เองเนี่ยมันช้าเข้าไปใหญ่เราก็ต้องทำไปเรื่อยๆอย่างเป็นธรรมชาตินะให้เสรีภาพจิตใจที่มันจะฟุ้งได้นะแต่ว่ามันจะฟุ้งไปกี่เรื่องกี่ราวเราก็จ ะ, ะระลึกได้เมื่อไหร่เรากลับมากลับมาอยู่ที่ไหนกลับมาอยู่กับกายกลับมารู้สึกตัว สำหรับผู้ปฏิบัติใหม่เนี่ยใหม่ๆเนี่ยก็ให้เอาไม่ต้องสนใจความคิดนะ น, นะแค่ให้รู้รู้กายก็พอหรือรู้สึกเวลาการเคลื่อนไหวนะเวลายกมือเวลาเดินมันจะคิดกี่เรื่องก็ตามพอรั่วเผลอไปหันหลังให้กับความคิดนะกลับมาอยู่ที่ความรู้สึกที่กายนะ หลวงพ่อเขาเรยนใช้ท่านใช้คำว่าปัดนะปัดมาอยู่ที่กายเลยปัดมาที่ความรู้สึกเลยปัดมาที่ความรู้สึกคือไม่ต้องสนใจว่าคิดอะไรทําไมถึงคิดไม่ต้องไปทําอะไรกับความคิดนั้นนะเพราะว่าถ้าไปสนใจความคิดก็จะดูถูกความคิดนั้นมันดูดมันกลืนไปมันชักลากลากรูดถูกกลางไปเอาความรู้สึกตัวเอาความรู้สึกของกายนี่แหละนะเป็นเป็นที่พึ่ง จะใช้คำว่ากําหนดก็ได้นะกำหนดที่ความรู้สึกของกายกําหนดในที่นี้คือว่าหมายถึงการเลือกที่จะรับรู้อย่างเสียงตอนนี้ก็มีเสียงแยะไปหมดเลยนะมีทั้งเสียงจักระจันเสียงพัดลมนะอาจจะมีเสียงมดเสียงคนแล้วก็เสียงคําบรรยายเวลาเราเลือกที่จะฟังเสียงบรรยายเนี่ยแล้วก็ตัด เสียงอื่นทิ้งเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่ากําหนดได้เหมือนกันนะคือกาหนดที่เสียงนี้เสียงบรรยายและกำหนดนี่หมายถึงว่าเลือกที่จะรับรู้นะแต่ว่ารับรู้แบบสบายๆไม่เพ่งคำพูดที่ของอาตมาเนี่ยหรือของผมพูดเนี่ยถ้าพวกถ้าคนฟังเนี่ยเพ่งนะจ้องเอารายละเอียดทุกทุกคำเลยนะ จ้องจดจ่อทุกคำเลยนะจะฟังไม่รู้เรื่องจบประโยชน์แล้วยังจับจับไม่ได้ว่าพูดอะไรแต่ถ้าฟังสบายๆนะจะเข้าใจนะสิ่งที่พูดนะนั้นการกำหนดเนี่ยนะกำหนดที่ความที่กายเนี่ยให้กำหนดแบบเบาๆนะอย่าไปจ้องอย่าไปเพ่งอย่าไปเอาอรายละเอียดนักปฏิบัติที่เห็นรายละเอียดของการเคลื่อนไหวของมือเนี่ยนะเห็น ความเคลื่อนไหวมันชัดเจนเนี่ยอันนั้นแสดงว่าจ้องแล้วแต่ว่าถ้าเห็นมันเป็นขณะขณะขณะนะอันนั้นเรียกว่ารู้สึกหรือว่าใช้สติหลวงพ่อพเขียนท่านเปรียบเทียบว่าถ้าถ้าดูเห็นการเคลื่อนไหวของมือของร่างกายเนี่ยมันชัดเจนมันก็เหล็กเส้นนั่นนะอันนั้นคือเพ่ง แต่ถ้าเห็นมันเหมือนกับเป็นโซ่นะที่แต่ละข้อแต่ละข้อมาต่อกันนะอันนั้นเรียกว่าทอมถูกละเหล็กเส้นกับโซ่นี่มันต่างกันนะเหล็กเส้นนี่มันยาวเป็นมันยาวเป็นเส้นเลยนะมันมันต่อเนื่องกันแต่ข้อเนี้ยโซ่เนี้ยมันเป็นข้อข้อข้อก็คือขณะขณะนั่นเองแล้วก็มันไม่ค่อยต่อเนื่องยาวเท่าไหร่ดมันก็ขาดแล้วก็ต่อใหม่ในความความรับรู้ทางกายเนี่ย อันนี้เราก็มาตรวจสอบ ด, ดูว่าเราเลดรู้แบบเป็นเหล็กเส้นหรือว่ามันเป็นโซ่ที่มันเชื่อมร้อยกันเป็นความลดรู้แบบขนาดขนาดหรือต่อเนื่องการการเจริญสติวิธีนี้ที่ในเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยจะไม่จะไม่เอารายละเอียดจะไม่ดูแบบแบบมันถี่ยิบนะแต่ว่าดูแบบเบาๆเพราะว่าถ้าดูแบบถี่ยิบเนี่นมันจะกลายเป็นจ้อง เป็นการเพ่งไปความรู้สึกตัวที่พูดถึงนะที่เราต้องการพัฒนาเนี่ยเป็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะบางทีเราเรียกสั้นๆวความรู้สึกตัวหรือความรู้ตัวหรือบางทีก็เรียกสั้นๆว่าความรู้สึกแต่ถ้าพูดให้เต็มใจคือความรู้ตัวทั่วพร้อมควาตัวทั่วพร้อมเนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันทั่วพร้อมคือมันเช่นเวลาเรารู้กายเราก็รู้ทั้งตัวเราไม่ได้จดจ่ออ ย, อยู่ที่ ส่วนในส่วนหนึ่งของร่างกายเช่นที่เท้าที่มือที่นิ้วเราเห็นรวมๆเหมือนเวลาเราคุยกับใครเรามองหน้าใครเนี่ยเราเห็นรวมๆเราเห็นรวมๆที่ใบหน้าเขาเราไม่ได้จ้องที่ตาเราไม่ได้จ้องที่จมูกเราไม่ได้จดจ่อที่ปากเราเห็นใบหน้าเขารวมๆแล้วเราก็รู้ว่าคนที่เราคุยด้วยข้างหน้านี้เป็นใครนะแต่ถ้าเกิดว่าเรา เราไปจ้องที่ตาเข้าไปจ้องที่จมูกเข้าไปจ้องที่ปากเขาเนี่ยเราจะไม่เห็นภาพรวมของใบหน้าเขาเลยนักปฏิบัติที่ไปที่ไปจ้องเอาที่รายละเอียดของร่างกายเนี่ยก็มันก็ไปจ้องที่ใบหน้าไปจ้องที่ตาไปจ้องที่จมูกที่ปากนะคือไปดูที่รายละเอียดส่วนย่อยนะมันก็จะไม่เห็นภาพรวมอันนั้นจะไม่ใช่ความรู้ตัวทั่วพร้อมหรือเมือนก็เราดูภาพ ดูแผนดูแผนภาพนะแผนภาพใหญ่ๆ ห, หรือจอโทรทัศน์ก็ได้เวลาเราดูจอโทรทัศน์เราดูรู้เรื่องเพราะเราดูรวมๆเราไม่ได้ดูที่มุมใดมุมหนึ่งนะของของจอหรือของภาพนั้นนี่คือธรรมชาติของเราอยู่แล้วนะเวลาเรารับรู้อะไรเรารเรารับรู้รวมๆไอ้การรู้ตัวทั่วพร้อมก็เหมือนกันนะมันรู้รวมๆนะกายที่เคลื่อนไหวไม่ได้จอดจงที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ถ้าว่าใจเราไปจดจ่อที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนั้นให้รู้วนั้นอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการจ้องการเพ่งไม่ใช่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอันนี้ก็เอาไปเป็นเครื่องพิจารณาประกอบการปฏิบัตินะว่าเราทําถูกหรือเปล่าหลายคนเนี่ยเวลาปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยจะเครียดมากเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าลองเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันในเรียบท่างเนี่ย ความเครียดจะน้อยลงและบางครั้งอาจจะเป็นการกระทําที่ถูกต้องก็ได้อาจจะเป็นการวางใจที่ถูกต้องก็ได้นะซึ่งอันนี้ก็อยากแนะนำนะว่าเวลาเราปฏิบัติเนี่ยอย่ า, ยาปฏิบัติแต่เฉพาะการสร้างจังหวะเดินจงกรมแต่ว่าให้เอาสติไปใช้หรือไปทำนะกับเรื่องบทต่างๆเรื่องตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาเราเราลุกขึ้นม า, เ, าเก็บที่นอนไปล้างหน้าแปรงฟัน ให้เจริญสติไปด้วยด้วยหลักง่ายๆว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะเวลามาทำวัดอ่าเดินเดินมาที่สาราก็เหมือนกับว่าเดินจงกรมนะเวลาเดินออกไปที่ศาลาเพื่อเตรียมบิฏบาตก็ให้รู้สึกว่าเหมือนกับเดินจงกรมรวมทั้งเวลาไปบิฏบาสนะก็เดินจงกรมไปด้วย เวลารับบาตรเราอยู่นิ่งๆแล้วก็อาจจะเอามือครึงนิ้วคลึงกับฝาบาตรขณะที่โยมใส่บาตรนะอย่าอยู่นิ่งๆอย่าอยู่เปล่าๆพอถ้าอยู่นิ่งอยู่เปล่าๆใจมันลอยมันจะฟุ้งได้ง่ายแต่พอเรามีอะไรให้ทําให้จิตมันทําเช่นรับรู้มือที่กำลังรับรู้มือที่กาลังเคลื่อนไหวรับรู้นิ้วที่กําลังคลึงหรือแม้กระทั่งเวลาถ่ายหนักนะเราอาจจะคลึงนิ้วไปด้วยหรืออาจจะตามลมหายใจหรือว่าคือน้ําลายกับพิษตาเอาก็รู้ ให้เราเนี่ยใช้อิเดียบท่างๆในชีวิตประจำวันเนี่ยนะ เ, ป เ, ปเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติหลวงพ่อต้อใช้คาว่าฉวยโอกาสฉวยโอกาสทุกอย่างทุกเวลาไม่ว่าทำอะไรก็ตามรวมทั้งกินข้าวซักผ้าหวาดใบไมนะ้ปฏิบัติได้หมดแต่ปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะดีด้วยซ้ำเพราะว่า เราจะมีการเพ่งน้อยมันจะเป็นการปฏิบัติแบบเป็นธรรมชาติมากกว่าและตรงนั้นจะเป็นช่องให้สติได้เติบโตขึ้นตามธรรมชาติของเขาในขณะที่การปฏิบัติในรูปแบบอาจจะทำด้วยความตั้งใจมากก็เลยเครียดพอเครียดแล้วก็เลยไอ้ความเครียดมันก็เป็นอุปสรรคทำให้ใการเจริญสติไม่ไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่คำนี้ก็เพื่อเกันเท่านี้กนะนะราบพระ